أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ص ل و س ل م وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا ع ل م لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم ر ب ا ش ر ح لي صدري وييسر لي أمري وأحلل عقدة من اللسان يفقه ي قولي اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا ظ ل م ن ا أنفسنا و إ ل م ت غ ف ر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا أ ت ن ا م ن ل د ن كرحمة وهي ئ لنا من أمرنا رشدا الحمد لله ชูกรต่อ Allah سبحانه وتعالى เราใกล้จะจบส ورة الكهف แล้วนะครับก็เหลืออีกไม่เยอะอินชาอัลลอฮ์นับเป็นแนมัดยิ่งใหญ่มากจาก Allah سبحانه و ت ع ا าที่ให้เราได้พูดคุยถอดบทเรียนสุราที่เราคุ้นเคยอย่างสุรา الكهف ผมเชื่อเลืกินว่า ที่เราเรียนไปก่อนหน้านี้ทั้งหมดหรือเรามาร่วมกันทอดบทเรียนแตด่ดะบรจากหลากหลายเรื่องราวเรื่องสุดท้ายที่เราเรียนก็คือเรื่องของสุลร่นไนน์เนี่ยถือว่าเป็น เ, เดี๋ยวเราจะพูดถึงนิดหนึ่งนะครับเป็นเป็นการสรุปบทเรียนว่ารอบที่แล้วเราไม่ทันที่จะได้สรุปนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านบทเรียนที่เราได้รับจากเรื่องราวของสุลร่นไนน์ด้วยอยงไรก็ตามนะครับ อย่างที่บอกไปว่าสุ ร, ราตุลกะที่เป็นสุราที่ต้องการจะให้เรานั้นเตรียมตัวทำความเข้าใจเกี่ยวกับฟิตรณะต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของการเป็นมนุษย์บนโลกนี้และเมื่อเรารู้ว่าฟิตรณะมันจะเกิดขึ้นจากช่องทางไหนเราก็จะได้เตรียมตัวได้ถูกป้องกันตัวเองได้ถูกกาจัดหรือขจัด สกัดจุดอ่อนต่างๆที่ฟิตนณะจะเข้ามาหาเราได้ถูกต้องซึ่งจะเป็นการปลอดภัยกว่านะครับนี่คือ อ, อ, อะไรนะเขาเรียกประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าฟิตรณะเนี่ยความวุ่นวายในชีวิตของเราบททดสอบต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานี่บางทีมันเป็นเรื่องที่เราคาดเดาไม่ได้ ใครที่จะคาดเดาได้บ้างว่าวันนี้วันไหนจะเกิดอะไรขึ้นกับเรามันมีแต่ว่าเราต้องรู้วิธีรับมือกับฟิตนณะเหล่านั้นล่วงหน้าก่อนคือรู้ไว้ก่อนเกิดเมื่อไรไม่สำคัญมันจะเกิดวันไหนปีไหนตอนไหนขนาดไหนแบบไหนถ้าหากเรารู้วิธีการรับมือล่วงหน้าก็จะช่วยบรรเทาได้ก็จะช่วยให้ความรุนแรงของมันทุเลาได้ สิ่งที่เรากลัวก็คือว่าเราไม่มีความรู้อะไรเลยเกี่ยวกับฟิทนาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟิทนาอาคิริสซาแมนฟิทนาที่จะเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของโลกฟิทนาที่มันเป็นสัญญาณต่างๆของวันสิ้นโลกซึ่งแต่ละวันแต่ละปีมันจะมีให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆและแน่นอนว่าฟิทนาเหล่านี้บางทีมันอาจจะมีผลกับชีวิตของมนุษย์ถึงขั้น ทำให้ความศรัทธาของเขาสูญหายสูญสลายเสียหายก็เป็นได้ดังนั้นเราจะอยู่นิ่งๆเฉยๆไม่เรียนรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่อิสลามสิ่งที่อัลลอฮ์สิ่งที่ท่านนาบีสุลต่านได้บอกกับเราเอาไว้ล่วงหน้ามาก่อนแล้วนี่เราจะทําตัวเป็นเฉยเมยไม่รู้ไม่ได้เพราะว่าอย่างไรก็ตามฟิตนะเหล่านั้นมันจะมาหาเราอย่างแน่นอนอย่างน้อยที่สุด สามสี่เรื่องในเรื่องราวของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชาวถา้ำเรื่องของชาวสวนเรื่องของมมซากับข้อเิดหรือเรื่องของสุลการไนเนี่ยมันจะต้องมีสักฟิตนะดังที่เขาเรียกว่าใกลเคียงกับชีวิตจริงของเรามากๆอัลฮัมดุลิลละที่ปัญหาเหล่านั้นอลัลตะลาบอกให้เรารู้และพระองค์ก็บอกหนทางที่จะทำให้เรานนั้ไดป้ป้องกันตัวเองปกป้องตัวเองเป็นทางออกให้กับเราได้เรียนรู้ก่อนที่ สิ่งที่น่าเป็นห่วงเรานั้นจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของเราอัลอัยาบอเบลลาฮิมันซาลิกวันนี้อายัด ท, ที่99ครับเราจบแล้วเรื่องราวของโซลกาเนันเราจะกำลังจะสรุปเรื่องราวต่างๆทั้งหมดในตอนท้ายของสุลตุลกาฟีเอาไว้นะครับวันนี้เราจะอ่านตั้งแต่99นะ99ดูสิว่าอ่านได้สักเียอายัดเนาะถ้าทันสุลตุลกาฟอายัด ท, ที่99ครับ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتركنا بعضهم يوم ئ ز ي م و ج في بعض. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا و َฟิลِูร์ฟะ ا มั่งน่าَ์มจม م าว่ารับฟ้าฟิลสูร์ฟะจมั่งน่ ال ذ ي ن كانت أعينهم في غطاء عن ذكري و كانوا لا يستطيعون سماع <ت ص في ق> أن فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي ให้ تخذ عبادين دوني أولياء ك د ن ا ج ه ن َ م َ ل ل ك ا ف ر ي ن ن ز و ل ا الحمد لله. و ت ر ك ن ا ب ع ض ه م ي و م َ ذ ٍ ي م و ج ف ي ب ع ض ٍ أ ن ي จบเรื่องราวของสุลต่านไปแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะาเราจะอธิบายอายะ ท, ที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นี้จะขอย้อนหลังไปนิดหนึ่งตรงบทเรียนจากการที่เราได้รู้เรื่องราวของสุลต่านเนี่ยมันให้บทเรียนอะไรกับเราบ้างเดี๋ยวผมจะอ่านจากนี้เลยนะครับ وبذلك نرى في قصة ذ ي القرنين ما نرى من الدروس والعبر والعظات เราจะได้เห็นนะครับว่าจากเรื่องราวของ ذو القرنين เนี่ยเราได้บทเรียนอะไรบ้าง م ن أ ب ر ز ي ه ا ลองคิดตามไปพร้อมๆกันนะครับว่าจากเรื่องราวของ القرنين เนี่ยเราได้รับบทเรียนอะไรอันที่ أن التمكين في الأرض نعمة يهبها الله لمن يشاء من, من عباده การที่ใครบางคนเนี่ยเป็นผู้ที่มีอำนาจอยู่บนหน้าแผ่นดินของ Allah s u b h a w t สามารถทำนู่นทำนี่ได้หลายอย่างเนี่ยแสดงว่าอันนั้นน่มันเป็นเนืหมัดที่ Allah t a a ให้กับเบ่าวของพระองค์ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีอำนาจที่จะมีฐานะเป็นผู้นำได้สุบภานั่นแหลเห็นไหมครับเราบอกแล้วว่าเรื่องราวในสุรตุลกะฟีเนี่ยมันกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายมันคนละแบบกัน เรื่องแรกกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับพวกเด็กหนุ่มพวกวัยรุ่นฟิตเนสของพวกวัยรุ่นเป็นยังไงอ่าต้องกลับไปดูเรื่องราวของอาซาบุลก้าซเรื่องที่สองเป็นเรื่องของพวกนักธุรกิจคนรวยคนทําสวนคนมีทรัพย์สมบัติเยอะคนที่สแสวงหาดุ尼亚อ่ากลับไปดูเรื่องราวของเพื่อนสองคนที่เป็น ที่เป็นชาวสวนคนหนึ่งเรียกว่าเป็นชาวสวนมีสวนเยอะเรื่องที่สามเป็นเรื่องของคนที่เป็นผู้รู้คนที่เป็นนักวิชาการคนที่มีความรู้คนที่มีการศึกษาพิธนะของคนที่มีการศึกษาเลาจะเอาอะลรทดสอบยังไงกลับไปดูเรื่องราวของมูซากับข้าเดรเรื่องที่สี่เป็นเรื่องของคนที่เป็นผู้นำ อยากจะเป็นผู้นําที่ดีฟิตรหนาของผู้นํามีอะไรบ้างรัตตะละเอาเรื่องราวของซุลกัตไนมาให้บรรดาคนที่เป็นผู้นําได้ศึกษาใครที่อยากจะเป็นผู้นําแล้วไม่เรียนเรื่องราวของซุลกันัยแสดงว่าไม่ผ่านหลักสูตรการเป็นผู้นําหลักสูตรของอัชสภารัตตะละใครที่อยากจะเป็นผู้นำและอยากจะผ่านหลักสูตรของอัชสภารัตตะละต้องถอดบทเรียนจากซุลกัตไน อาจารย์กี้นุฟิลลัร์การที่คนคนหนึ่งจะเป็นผู้นําได้เนี่ยอย่าคิดว่ามาจากอํานาจของตัวเองบางคนบอกว่าที่ฉันเป็นนู่นนี่นั่นได้เพราะว่าฉันขึ้นมาเองของฉันบางทีนั่นอาจจะเป็นการทดสอบจาก Allah a ล l a h แต่ลาให้อํานาจกับกับเขาเพื่อที่พระองค์จะดูว่าอ่ะจะอยู่ยังไงจะเป็นยังไงเหมือนกับที่ Allah ทดสอบโกลกอนนี่นะเช่นเดียวกัน التمكين في ا ل, ل أ ر ض ن ع م ة يهبها الله لمن يشاء من عباده وان السير في ا ل أ ر ض لاحقاق الحق وابطال الباطل من صفات المؤمنين الصادقين كان تي ذو ا ل ق ر ن เดินทางไปทั่วโลกเพื่อที่จะทํานุบํารุงหรือไป ihqaq al h a เชิดชูสัจะทรมให้โดดเด่นบนหน้าแผ่นดินและไปทำลายสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้หมดไป นี่คือหน้าที่ของคนที่มีอำนาจไม่ใช่ว่าคนที่มีอำนาจแล้วอยู่เฉยๆบนเก้าอี้อยู่เฉยๆในสถานที่ที่ตัวเองอพักอยู่ออฟฟิศอยู่ของตัวเองไม่ได้ไปดูว่าคนข้างนอกเขาอยู่กันยังไงนะฮะชาวาคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของเราลำบากอย่างไรเป็นอะไรยังไงไม่ได้สนใจอะไรเลยไม่ใช่แล้วก็ในเดินทางครบทั้งสองทิศ ไปทิศตะวั ies, นตกจนสุดไปทิศตะวันออกก็จนสุดแล้วก็ไปช่วยไปช่วยชาวบ้านด้วยเนี่ยที่เขบอกว่าไงอันนั้นผู้นาที่ยุติธรรมเนี่ยในจานวนคุณลักษณะของคนที่เป็นผู้นาที่ยุติธรรมจริงๆก็คือ ต้องลงโทษคนที่ประพฤติตัวไม่ดีใครที่เป็นคนชั่วจะต้องจัดการส่วนคนที่เป็นคนดีของสังคมก็จะต้องสนับสนุนและจะต้องช่วยให้ประชาชนเนี่ยได้ได้ดำรงอยู่ในคันลองคลองธรรมทำอย่างไรให้คนที่อยู่ภายใต้การปกครองของตัวเองเนี่ยได้อยู่ภายใต้คุณธรรมศีลธรรมจริยธรรม อยู่ตลอดเวลาต้องสนับสนุนส่งเสริมเรื่องเหล่านี้และจะต้องพยายามสกัดกั้นสิ่งไม่ดีทั้งหลายที่จะมาทาลายศสรธรรมและจริยธรรมของประชาชนว่อินน์มิมาลิมิลขัลกิลกเรีมอันยูอินัลอินซานอัลมุฮตาจอลา عون ห์ว่อันยูคดิมาเลหมาเยซูนหอัลวุกูอีทัต์วัตติอัลทัลมนัลมุฟซิดีและจะต้องปกป้อง คนที่อ่อนแอคนที่ต้องการความช่วยเหลือเหมือนที่สุลต่นในช่วยเหลือใครครับอตอนที่สุลต่านในไปทำอะไรไปทำเขื่อนไปทำกำแพงไม่ให้พวกยากจูชกับมาจูชเนี่ย อ, อาทำลาย้านเรืนวาอันเนทีันทึกรืองนี้ในหนัสืออัลกุอานวันลที่าีที่สุดที่ะบันทึกเรื่องนี้ในหนังอลรอานอันเป็นที่ดีที่สุดทีะบเองนีในหงลกุ เราจะไปขอค่าจ้างจากใครบทเรียนจากโรบก้รนนันโยบก้อนนันบอกว่าอย่างไรประชาชนบอกว่าจะให้ค่าจ้างจะให้ค่าตอบแทนแต่โยบก้อนนันบอกว่าเขาไม่ต้องการเขาช่วยเพื่อ Allah สิ่งที่เขาได้รับจาก Allah สุภาเนาะแต่อา l นี่มันยิ่งใหญ่กว่ามันมากมายมาหาศาลกว่าสิ่งที่นะคนที่เขาไปช่วยที่ท่านไปช่วยเนี่ยจะมอบให้กับท่านด้ยซ้ำไป كما كل, إلى ال ال ال كل من المؤمنين صفات الصادقين الله تعالى أن أنهم ينسبون أبرز فضل النافذة إلى وإلى يزدادون خدرته وأنهم ก็มีอีก ا ลาย ن ا ل งที่เรา ا ม่รู้จักแต่เราต้องรู้จักกันด้วยกันนะคร็จ หรือได้รับอะไรที่มันเป็นเนะหมัดเขาจะเอาความสำเร็จนั้นยกความดีความชอบให้กับ Allah Subhanahu Wa Taala เหมือนที่ลูกกอร์นัยทำเคืนเสร็จแล้วบอกอันนี้เป็นผลงานของฉันเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลก <c oughs> อันนี้ฝีมือฉันทั้งหมดเลยพูดอย่างงั้นหรอือเปล่นาซุลกอร์นัยไม่ได้พูดอย่า ง, งานั้นแต่ซุลกอร์นัยกลับพูดว่า قال هذا من ر ح م ربي นี่คือความเมตตาจากพระเจ้าของฉันผลงานที่ตัวเองสร้างมากับมือแต่มอบความดีความชอบกลับไปที่อัลลอฮ์สุบฮานาะตาอลานี่เป็นคุณลักษณะของบรรดาคนที่เป็นมุมินที่แท้จริง เพราะความสําเร็จของเราถ้าอัลลอฮฺตะอัลาไม่อํานวยให้ถามว่าเราจะสําเร็จไหมมีแต่คนที่ศรัทธาที่เข้าใจเท่านั้นที่จะรู้สึกอย่างนี้นถ้าใครไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮฺตาอัลาก็อ้างได้หมดอันนี้ก็ของชั้นอันนี้ก็ชั้นทําอันนี้ชั้นให้อันนี้ชันนน้นบริจาคอัน น, ون, นู้นนี่นั่นความสําเร็จทั้งหมดที่เราทําเราไม่ได้พากลับไปที่อัลลอฮฺสุบฮฺ الع. ตาอัลาเลยนั่นแหละครับนะเพราะฉนะนั้น سبحان ا ل ่านาจะได้นะว่าอ่าว่าอื่นะพวกเขาจะยิ่งเพิ่มการขอบคุณต่อหลอสุบฮานอัตลอละทุกครั้งที่ประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จทั้งที่หนึง่งงานสำเร็จชินนชจช้นที่1อลัลฮัมดุลิลละชูกรต่อหลอกสุบฮานอัลลอฮละชิ้นที่สองสำเร็จอลัลฮัมดุลิลละชูกรต่อหลอกสุบฮานออลเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยไปนะครับนี่เป็นบทเรียนที่อ่าเล็กๆน้อยๆที่เราได้รับจากเรื่องราวของดุลกัใน หลังจากนั้นเมื่อจบเรื่องราวทั้งหมดอะไรแต่เร า, เ า, เาก็เริ่มที่จะสรุปเป็นข้อสรุปที่เกี่ยวข้องกับบ้นปลายสุดท้ายเพราะว่าไม่ว่าชีวิตของเราในโลกดุน ي านี้จะต้องเจอกับฟิตนัคกีรูปแบบการทดสอบต่างๆที่เราเจอในโลกดุน ي านี้สุดท้ายมันก็มีวันจบ และมันจะจบยังไงมันจะต้องจบในวันที่อัลลอฮฺสุบฮฺบวตาลาบอกว่าเป็นวันสิ้นสุดของทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้และสภาพของวันเกียรมัดนั้นอัลต้าลาก็ได้บอกเอาไว้นิดหนึ่งตรงนี้วทรกบอบมเยออซินยายฟีบาดและเราได้ทำให้ส่วนหนึ่งของพวกเขาปะทะกับอีกส่วนหนึ่งในวันนั้น ท่อนนี้ของอายันี้เนี่ยมันมีตัฟซีรออกอกมาเป็น อ, อย่างน้อยสามความเห็นหรือสามทัศนะแล้วมันก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวของยะจูกับมะจูจูในทัศนะที่ตัฟซีรว่าวะตรักนาบ่ดั่มย้ามาอิรินยาบูจูฟีบ่เราปล่อยให้บางส่วนของพวกเขาปะทะกันกับบางส่วนยังไงหมายถึงใครและหมายถึงวันไหนอันนี้เนี่ย นะมาดูตรงนี้อัลกุรบีอธิบายว่าอัลดามิรฟีทรกนลิลลา์ ا ل ى เอิตรินและอินยมลายามูฟบาุมฟีบ้นีคือตัวอันที่อตาลาบอกว่าพระองค์ทาให้จินและมนุษย์เนี่ยพอถึงวันกยมเนี่ยชนกันมั่วนี่คือความหมาย เวลาที่ออกมาจากกุโบเวลาที่ไปชุมนุมกันในวันเกียรมิรเนี่ยโอล่าหนมากเหมือนเราไปงานอะไรสักเห็นไหมเวลาที่เราไปงานใหญ่ๆคนเยอะๆงานวันเด็กที่ผ่านมาใครไปไหนมัน่งเด็กวันเด็กแต่และที่ว่านเราก็ไม่ค่อยคนก็ไม่ได้เยอะนะแต่มันก็ชนกันโอ้โหลองนึกถึงสภาพของวันเกียตรติว่าเป็นยังไงนั่นคือความหมายอันแรก ตารานั่จินนวลอินส์ทำให้มนุษย์และยินที่อัลลอฮฺอัลลอฮ์รวบรวมในวันกียรติ์เนี่ยพัฒกันชนกันอัลยามูจเนี่ยมาจากคาว่าเมาจ์เหมือนกับคลื่นคลื่นทะเลแล้วคำว่าคลื่นเนี่ยก็ใช้กับมนุษย์ได้เช่นเดียวกันคลื่นมหาชนเห็น ไ, ไหมคลื่นมหาชนไอ<ป>อะไรที่ผมบอกว่าใครที่อยากจะเห็นสภาพของวันกียรติ์ตัวอย่าง<ม>สภาพของวันกียรติ์ในโลกดุนยาเนี่ยต้องไปทำฮัจ จะได้เห็นคลื่นมหาชนที่แท้จริงว่าเป็นยังไงสุ ا า ل นัลละว่กี่เะรกนายเจืจวมาจืจวยื่นฟิตาพิสเอ่อเนี่ยอั่สนะครับนะครัว่กี่เะรกนายเจืจวมาจืจวยมาอินเอเยมาคามาลเสดยมูจุบางุ่มฟีบั๊บ ท่านัที่สองเรัยกท a แบบที่สองที่บายว่าเราทําให้ยาจุชกับมะจุชปะทะกันเองชนกันเองวันไหนไม่ใช่วันเกียรมั้งแต่เป็นวันที่สุลกอร์ไนนทําเขื่อนเสร็จ mm. เพราะว่าก่อนหน้านั้นยาจุชกับมะจุชเนี่ยออกมาได้ออกมากินนู่นกินนี่ของชาวบ้านหมดพอเขื่อนเสร็จปุ๊บ ก, ก็เรียกว่าอะไรอ่ะ เหมือนกับเพึง่งหรือแมลงที่ออกจากรังไม่ได้อะก็คืออยู่ข้างในอันนี้คือคือความเห็นหรือว่าต่อที่เขาอธิบายอย่ายุกับมาหยุดพอออกมาไม่ได้ก็ทับถมโกลหลกันอยู่ข้างในว่าจะทำยังไงว่ากีละตรักนายจูจว่มัจจูตย่อมันฟิตาหิสสบดยามูจูนฟิตดุเนียมุขทลิตีนมุขทลิตีน ลีขธรติ h ิ m อันที่สามเนี่ยบายว่าเราได้ทำให้ยะจูจกับม่จูจเนี่ยออกมาวันที่เขื่อนแตกวันที่เขื่อนแตกยาไม่อิสินตรงนี้ไม่ใช่วันแก้มัดไม่ใช่วันที่เขื่อนอสร้างเสร็จแต่เป็นวันที่พวกเขาสามารถจะทำลายกำแพงเขื่อนออกมาแล้วเวลาออกมานี่ออกมาเหมือนคลื่นเลยนี่คือความหมายที่ นะครับความหมายที่3ที่อัลกุรอบีได้อธิบายเอาไว้แน่นอนว่าเขาก็ให้น้าหนักอย่างนี้ก็บอกว่า فهذه أقوال ث ل ا ث ظ ه ر ه ا أوسطها وأبعدها خ ر ه ا وحسن الأول لأنه تقدم في ذكر <ق> القيامة <ت ص> في ت و ي ق ه فإذا جاء وعد ر ความหมายที่น่าจะมีน้าหนักในทัศนะของบรรดานักตัีก็คือ คือจริงๆแล้วมันก็เข้าใจได้หมดนะเพราะว่าวันที่ยะยูจกับมะยูจออกมาในวันที่เขิ่นแตกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากจนกระทั่งท่านนาบีอีซาอุลัยฮิสซลามซึ่งลงมาแล้วอิสานี่ลงมาแล้วมาอยู่กับมหดีแล้วปราบดัจจาลเสร็จแล้วดัด จ, จัลนี่มา ก, ก่อนอยะยูจกับมะยูจพอปราบดัด จ, จัลเสร็จแล้วเนี่ยะยจูจกับมะยูจก็ออกมาจนกระทั่งท่านนาบีอีสากับกองทัพของมหดีต้องขึ้นไปบนเขาตูร์ซีน ด้วยความที่จำนวนเยอะมากและไม่มีใครที่สามารถจะปราบยัยุดกับมายุดได้จนกว่าอัลลอสุบะอวตะลจะให้มีหนอนมาเกาะที่ต้นคอแล้วก็กัดกินจนตายไปเองกลายเป็นซากศพที่เน่าเหม็นบนหน้าแผ่นดินเพราะฉะนั้นมันก็ความหมายมันเอื้อกันนะครับทั้งสองแบบแต่รูปประโยคของอัลกุรอานหรืออายะที่ใกล้เคียงกันเนี่ย กำลังอธิบายการเกิดขึ้นของวันเกียร์มัดดังนั้นทัศนะที่บอกว่าความหมายที่บอกว่าวะทรักนาบางบ่ห่มเย้ามาอิซินเยมูยูฟีบาตรงนี้เนี่ยหมายถึงมนุษย์ทั้งหมดผู้คนทั้งหมดพร้อมกับจิ้นในวันที่ต้องกลับไปหาอัลลอฮ์สุบฮานาตะละแสดงว่านี่คือสภาพของวันเกียร์มัดที่มันจะเกิดขึ้นกับเราให้เราเตรียมตัวเอาไว้วะทรักนาบางบ่ห่มเย้ามาอิซินเยมูยูฟีบา วันูฟี خاف الصور فجمعناهمجمع لرأوا นะอัลลอฮฺสุบัยุบุต้าลาก็สังให้ยมาเลกัดไม่เป่าตรอ الصور ไมถึงตระ فجمعناهمجمع لبرأونقاص รวบรวมทั้งหมดเลยไม่ตกบกพร่องสักคนหนึ่งไม่ขาดตกไปสักคนหนึ่งนะเป็นการตะกิดด้วยมัศดับนะฟ ج م, ج م ن ا ه م ه م ع يشذ عنه أ, ا, ا, أ, أ, عن أ ح ไม่มีมรรคนไหนที่หลุดรอดไปจากการชุมนุมหรือการรวบรวมของ Allah Subhanahu Wa Taala وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا ونن روتا แสดงนรกจันน้ำให้บรรดาคนที่เป็นกุฟ่าให้พวกเขาเห็นอย่างชัดชัดจริงๆแล้วนรกจันน้ำเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกุฟ่าเท่านั้นที่เห็นนะ พวกเราเองก็จะได้เห็นในวันแก้มันแต่ทำไมเราถ้าเราเจาะจมเอาอัลกาฟิรีนมาใส่ในอยนนี้ถามว่าพวกเราจะได้เห็น น, นรกไหยพวกเราก็จะได้เห็นนรกเพราะเราจะต้องข้ามผ่านนรกเพื่อที่จะไปสวรรค์เอาซิรอตเนี่ยอยู่บนนรกบลงแต่ละคนที่ข้ามซิรอตไปได้เนี่ยบางคนก็ข้ามไปรวดเร็วมากเหมือนกับกระพริบตาบางคนเหมือนกับ อะไรนะแสงฟาเรนต์บางคนก็ต้องคลานบางคนก็ต้องเดินอัลัยยาสุเบลลาฮามิญซาลิกแล้วก็จะมีตะขอจากนรกที่คอยดึงคอยฉุดคนที่ข้ามเซรอสอยู่เพราะฉะนั้นนรกเนี่ยทุกคนจะต้องผ่านอัลกุรอ า, การกรนก็บอกเองว่าทุกคนจะต้องผ่านแต่ทําไม s <S อัลลอฮฺทรงแต่ละ จ, จึงเจาะจงเอาอัลกาฟิรินมาใช้กับคําว่าพระองค์จะแสดงให้บรรดาอัลกาฟิรินเพราะว่านรกนี่ถูกสร้างมาให้กับพวกเขา เป็นการเฉพาะเป็นการคมคู่เป็นการเตือนให้พวกเขาได้สานึกให้มากสาหรับคนที่จะสานึกถึงการลงโทษของอุัตแล้วเนี่าอานะาศอาราไหนย่าราห์เลื่อนห์ อ่า الصفرullah و أ ت و มีอัจปนอีกหนึ่งเหตุผลที่ Allah Taala ใช้เจาะจง algae siren กับการที่พระองค์แสดงนรกให้พวกเขาเห็นเพราะอะไรเพราะบรรดา a l ล a า siren เหล่านี้เป็นอย่างไรครับ ال الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري บันดาคนที่สายตาของพวกเขานั้นตอนที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาฟีริตาเอนปกปิดมีสิ่งที่มาปิดตาพวกเขาจากการรำลึกถึงฉันซิกรีตรงนี้เนี่ยหมายถึงสิ่งที่ทำให้เรารำลึกถึงอัลลอฮ์เริ่มตั้งแต่อัลกุรอาน บทบัญญตัติคำพีของ Allah ลอสบาวเตอรลาะทำให้เราดำลึกถึงพระองค์บรรดาคนที่ไม่ศรัทธาต่อตลอุบาวเตอร์อะไรในโลกดุ น, ยนีย์นี้มองไม่เห็นเข้าไม่ถึงสัจธรรมของพระองค์หรืออาจจะเป็นมะคลุกที่พระองค์สร้างมาเป็นสัญญาณที่พระองค์ถึงสัญญาณถึงความสามารถถึงพระเดชานุภาพของ Allah ลอุบาวเตอร์อะไรในโลกดุ น, ยนีย์นี้เรามีตาเราเห็นแต่เราไม่สามารถที่จะเข้าถึงว่าเนี่ย เป็นความสามารถของ Allah s u b n a u wa t นี่คือความหมายคํงว่าฟิตาะไม่ใช่ว่าตาของเราไม่เปิดไม่ใช่ตาของเราเปิดดูได้ทุกอย่างแต่ดูแล้วไม่ได้อะไรเหมือนกับที่เาตะลาว่าละหุมอาจนุลลุมกุลูบุลลายฟตฮนบิฮวละหุมอุนลายซิรนบิฮวละุมอานลายัสมานบิฮคนที่ตกนรกจะหันนำเห็นคนเหล่านี้มีหัวใจแต่ไม่เข้าใจ มีตาแต่มองไม่เห็นมีหูแต่ไม่ไม่เข้าไม่ฟังออกกลนคนเหล่านี้เหมือนกับสัตว์ลัลยาบิลลบัลฮุมอััลละอาจจะ ย, ยิ่งกว่าสัตว์อีกเพราะสัตว์มันไม่มีปัญญาแต่มนุษย์มีปัญญาไม่ได้ใช้ปัญญาให้เกิดประโยชน์ประสาทสัมผัสทั้งหมดเนี่ยข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผ่านเข้ามาทางประสาทสัมผัสแล้วส่งไปที่สติปัญญาให้คิด เพราะฉะนั้นข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเมื่อมันเข้ามาในตัวเราแล้วเนี่ยมันเข้ามันไม่ได้เข้าไปสู่ปัญญาแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรตามีประโยชน์อะไรหูมีประโยชน์อะไรนั่นแหละคือความหมายที่บอกว่าฟิริโตอินอันซิกริถูกปิดจากการรำลึกถึงอัลลาะห์สุภาตาลเหมือนกับว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย إشارة بأن الحائل والساطر الذي حجب أعينهم عن الإبصار كان حائلاً ش د ي د ا Allah تعالى ใช้คำว่าริโต้ฝาริต้เนี่ยมาจากคาว่าพวกฝาหม้อฝาอันนี้ภาษาคนอาบก็จะใช้ยังงั้นหมดเลยฝาสมัยก่อนถ้ามีตุ่มน้าก็ต้องปิดตุ่มน้ำกับกับฝาใช่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นนะตุ่มน้ํานั่นแหละคือริต้ เหมือนกับว่าตาของคนที่ไม่ศรัทธาต่อรัศวีตาเนี่ยมีอะไรมาปิดเอาไว้มองไม่เห็นแล้วเป็นอะไรที่ไม่ใช่เล็กๆหนามากเพราะมันไม่ทะลุอ่ะหลายอายัดเาเป็นละให้มปนตาเล็กหลายอายันะครับในอัลกุรอานที่พูดถึงมีตาแต่มองไม่เห็นตาบอดไม่ใช่บอดที่ตาที่หรอกแต่บอดตรงไหนบอดที่หัวใจ อินะเลนะล ا ทำงานอัฟซาร ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ไม่ใช่ ماي شيء ดวงตาที่บอดแต่สิ่งที่บอดก็คือดวงใจที่อยู่ในหัวอกของมนุษย์นี่แหละ و ا ل ع ي بال ذ بالله من ذلك وكانوا لا يستطيعون سماع ตามมองไ่เห็นหูไม่สามารถที่จะฟัง لا يستطيعون سماع หมายถึงไม่ได้รับฟัง ไม่ได้ยินแต่จะทำหรือสิ่งที่อัลลอฮฺสุมาลจะลาเรียกร้องพวกเขาไปสู่การศรัทธาต่อพระองค์ทั้งหมดทั้งปวงนี้เกิดมาจากไหนครับเกิดมาจากอิสรรุมับบาตลและอีาลุมลอกาเกิดมาจากการที่พวกเขาดื้อด้านที่จะมีชีวิตอยู่ บนความบาตเตลและการที่พวกเขาเหมือนกับจมดิ่งอยู่ในการหลงทางไม่ได้ผุดขึ้นมารับฮด d ยจากอัลลอฮ์ س ب ح ا ن ละถัลนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ค่อนข้างจะน่ากลัวเพราะว่าถ้าสมมติว่าอัลลอฮฺสุบไบลละตอลาประทานความพร้อมทุกอย่างให้กับมนุษย์เนี่ยเสร็จแล้ว เขาไม่ได้ใช้ความพร้อมอเราเพิ่งเรียนสุรตุสัเรยาจบไปในอายะที่อัลลอฮฺแต่ละาลาบอกว่าว่ามา خلق ตุลจินนวลอินซะอิล ล, ลัยบูดุนเราไม่ได้สร้างจินกับมนุษย์มาเนี่ยนอกจากเพื่อให้พวกเขาได้อิบัตัดต่อพระองค์ในจํานวนความหมายที่นักทัศนศิษอธิบายก็คือว่าหมายถึงพระองค์สร้างความพร้อมให้กับเราพระองค์บอกว่ามนุษย์จะต้องเคารพอิบัตัดต่อข้า แล้วถ้าสมมติว่าเราไม่มีความพร้อมหมายถึงตาของเราใช้ไม่ได้หูของเราใช้ไม่ได้มือของเราใช้ไม่ได้คําสั่งนี้มันจะมีประโยชน์อะไรเมือเ่อ Allah ลาสั่งให้เราเป็นบ่าวของพระองค์แสดงว่าพระองค์จะต้องเตรียมปัจจัยต่างๆที่ทําให้เรานั้นได้เป็นบ่าวของพระองค์ได้จริงๆซึ่งแน่นอนว่ามนุษย์มีพร้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราเรียกว่าปัญญาปัญญานี่คนอื่นไม่มี สัตว์อื่นมันไม่มีปัญญามันไม่พร้อมที่จะรับการตักลีฟจาก a สิ่งที่ทำให้เราสามารถรับการตักลิฟตะกลฟก็คือคาสั่งจาก l a h แปลวตอก็คือการที่เรามีมีปัญญามนุษย์นี่เป็นหมุกคลลักเพราะว่าแม้กระทั่งมนุษย์เองถ้าสมมติไม่มีปัญญาก็ไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมครับคนบ้าต้องละหมาดไหมคนวิกลจริตต้องถือศีลอดไหม ก็ไม่ต้องไงเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นตัวกําหนดว่าต้องรับอามานะในการตะกลีฟคาสั่ง Allah, องลอสอัลลอฮ์คืออะไรคือความพร้อมจากสติปัญญาแล้วปัญญานี่มันเชื่อมโยงกันหมดเชื่อมโยงกับตาเชื่อมโยงกับหูเชื่อมโยงกับประสาทสัมผัสร่างกายทั้งหมดเนี่ยมันเชื่อมโยงไปสู่สิ่งนี้ตราบใดที่เรายังมีปัญญาอยู่ต้องใช้มันเพื่อเคารพบพักดีอัลลอฮ์สุบฮาระห์วะตาลา เพราะฉะนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรถ้าสมมติว่ามนุษย์มีทุกอย่างที่พร้อมจะเป็นบาปอาลท์บาปะล่แต่เขาไม่ได้ใช้ความพร้อมที่พระองค์ประทานให้เป็นการดูถูกดูแคลนฮะดียะของขวัญที่พระเจ้าประทานมาให้กับเราเราดีกว่ามรคลงปวงมาละเกัดยังต้องสุ j ูดให้กับเราดวงอาทิตย์ต้องรับใช้มนุษย์ นะความสะดวกทั้งหมดทั้งปวงในโลกดุ น, ยนีย์นี่ถูกมนุษย์ใช้จนหมดทรัพยากรบนอากาศมนุษย์ก็ใช้ทรัพยากรบนดินมนุษย์ก็ใช้ทรัพยากรในดินมนุษย์ก็ใช้มนุษย์เป็นผู้ที่ใช้ทรัพยากรของโลกสวรตค์ธรรมากที่สุดในโลก <c oughs> <c oughs> เอามาจากดัางดาด้วยแล้วเราไม่คิดที่จะ ทำอะไรให้กับผู้ที่ให้ทรัพยากรเหล่านี้กับเราเราดีกว่ามรุกทั้งปวงหมดเราได้สิทธิเหนือกว่ามรุกทั้งหมดทั้งปวงที่พระางค์ตรัสลาสภามตรลาสร้างมาสิทธิทั้งหมดที่ว่านี้มันมีหน้าที่มาพร้อมกันด้วยถามว่าอะไรหละคือหน้าที่ของเราในเมื่อสิทธิของเรามากมายขนาดนี้หน้าที่ของเราคืออะไรที่เราต้องทำต่อสิทธิอาลาตลา้กับเรามา ไม่มีใครหรอกที่เกิดมาแล้วมีแต่สิทธิ์สิได้อย่างเดียวได้อย่างเดียวไม่มีอะไรที่ต้องให้กลับคืนไปตอนที่เราสวมนตตาบอกว่าตอนที่อะไรนะมีซาฮบะคนหนึ่งขี่ม้าขี่กับขีลากับท่านเบียีอูด์ท่านบีก็ถามว่าอัตตอาริฟอัตดรีมาอะไรคือสิทธิของ Allah ที่บ่าวต้องให้กับพระองค์และอะไรคือสิทธิของบ่าวที่จะได้รัจบจากอัลลอฮ์เห็นไหมคือทุกคนมีสิทธิและมีหน้าที่ในเมื่อมนุษย์มีสิทธิมากมายขนาดนี้ในชีวิตของเขาเนี่ยพวกเราเคยตั้งคำถามไหมว่าอะไรคือหน้าที่ที่เราจะต้องทำต่อน้ำมันที่เราเสพต่ออะไรอีกอากาศที่เราสูด ต, ต่อน้าที่เราใช้ เห็นว่าปีนี้น้ำค่อนข้างน้อยอแรงหนักปีนี้ใช่ไหมนนถ้าไม่มีฝนอะไรจะเกิดขึ้นแล้วมันมาจากไหนฝนพวกนี้เหล่านี้คือสิ่งที่อรัออตน์ออ ต, ต้องการให้เรารำลึกและก็สำนึกอยู่ตลอดเวลาโดยใช้ตาคิดตาดูหูฟังพาไปสู่การคิดด้วยปัญญา ถ้าเราใช้ความคิดจริงๆถ้าเราใช้ดูใช้หูใช้หูฟังใช้ตาดูใช้หูฟังใช้ปัญญาคิดจริงๆเนี่ยมันไม่มีทางไปทางอื่นได้หรอกมันจะต้องกลับไปสู่การศรัทธาต่อ Allah s n a t อย่างเดียวดังที่ Allah s u b h a n a a t a a a พูดถึงใน Surah Al ran, อ m r a n สุดท้ายคนที่ใช้ความคิดแล้วก็ใช้หัวใจในการไตรตรองเนี่ยมันจะพูดออกมาเองว่า s า b h a n a k ฟะตีน่าอาดับันนะรับ خلق แ ه ذ ا ب ا ط ل ة يا a l l a พระองค์ไม่ได้สร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยความไร้สาระพระองค์ไม่ได้สร้างดวงอาทิตย์มาด้วยความไร้สาระพระองค์ไม่ได้สร้างดวงจันทร์มาด้วยความไร้สาระพระองค์ไม่ได้สร้างทะเลไม่ได้สร้างท้องฟ้าไม่ได้สร้างแผ่นดินไม่ได้สร้างภูเขามาเพื่อความไร้สาระพระองค์ไม่ได้สร้างชีวิตชั้นมาด้วยความไร้สาระเราเกิดมาแล้วเราก็จะหายไปอันนี้มันไร้สาระ เพราะฉะนั้นชีวิตของเราไม่ใช่เรื่องที่ไร้าสาระไม่ได้ خ ต่อให้บาปนุ้น سبحان سبحان Allah มาบริสุทธิ Allah ์ Allah سبحانه และ تعالى ที่จะสร้างเรื่องไร้าสาระพวกนี้ฟักีนะ่าอัลกบันนาเพราะฉะนั้นขอพระองค์ปกป้องเราให้พ้นจากนารกด้วยเถิดทั้งหมดนั้นเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากตาที่ใช้มองหูที่ใช้ฟังและก็หัวใจที่ใช้คิดนั่นแหละละตาลาจึงโกรธและจะลงโทษคนที่มีตา แต่ไม่ดูคนที่มีหูไม่ฟังและคนที่มีหัวใจแล้วไม่คิดเหมือนกับในอายักนี้อัฟฮัสิบันลดีนะครับคัฟรูอ่าไม่อะไรนะ الذي ن ك ا ن ت ْ أ ع ي ن ه م ف ي غ ِ ط ا ء ع ن ذ ك ر ِ و ك ا ن و ا ل ا ي س ت ط ي ع ُ و ن س م ْ ع َ أ ف ح َ س ِ ب َ الَّذِينَ ك َ ف ر و ا أ ن ي ت خ َ ذ ُ ع ب َ ا د م ن د و ن ِ أ و ل ي ا ء إ ن َ أ ع ت د ن ا ج ه ن م ل ل ك ا ف ر ي ن ن ز ل س ب ح ا ن ا ل ل ผมว่ามันย้อนแย้งกันนะในเรื่องของอัลลอสุบนตาลัลลาคื อ, คอจะเราไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์มนุษย์บางคนไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แต่กลับไปศรัทธาต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอ์อายัดนี้กำลังพูดถึงอะไรกำลังพูดที่การที่มนุษย์ไปพึ่งผู้อื่นนอกจากอัลลอ์มันเกิดมาจากอะไร มันเกิดมาจากการใช้ปัญญาหรือการไม่ใช้ปัญญาสุรานะหละเนี่ยพอเราไม่ใช้ปัญญามันก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แหละแทนที่จะอ้บ้าดีอัละตาราบอกว่าพวกเจ้าเนี่ยคิดที่จะเอาบาวของฉันเป็นที่พึ่งหรือฉันอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ไม่มาพึ่งฉันแต่ไปพึ่งใครไปพึ่งบาวของฉันแทน ระหว่างฉันกับบ่าวนี่ใครที่มีอำนาจกว่าใครที่สามารถจะให้ได้มากกว่าทำไมไม่คิดทำไมไม่ใช่กันญะฮะ سبحان อัลลอฮ์แล้วบาฮาลัสบาฮาลาตรงนี้ไม่ใช่เพราะองค์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แค่หมายถึงไอ้พวก อ, อ, อะไรนะรูปเคารพที่ไม่มีชีวิตไม่ใช่นะบางที บางทีมนุษย์บางกลุ่มบางพวกนี่ถึงกับเคารพพักดีมาละอิกะเคารพพักดีรอสู่หรือนบีของอัลลอฮ์มาอะลาด้วยซ้มไปแต่ทั้งหมดนั้นมาละอิ ก, ะกะดัดก็ดีนบีก็ดีเป็นอะไรเป็นบ่าว่าคนเหล่านี้พอถึงวันทีน่อัลลอล์จะเรียกมาหมดเรียกนบีอิสามาเรียกมาละอิกัดมาแล้วพระองค์ก็จะถามว่าพวกเจ้าสั่งให้มนุษย์เคารพพวกเจ้าใช่ไหม แลวพวกเขาก็จะปฏิเสธว่าเราไม่ได้บอกให้มนุษย์เคารพเราเป็นชัยตอนที่ไปล่อลวงเป็นพวกเขาเองที่ทำตัวอย่างนั้น น, นี่เกิดมาจากการที่ไม่มีปัญญาถ้าสมมติว่ามีปัญญาจริงๆเนี่ยระหว่างอัลลอฮ์กับมัคลูกที่พระองค์สร้างเน่มันชัดเจนอยู่แล้วว่าเราควรจะต้องพึ่งใครไม่มีทางพระเนี่ยตัวอย่างของนบีอิบราฮีมตอนทีอ่อะไรนะ นํารูดจะเผาไอบรอฮิมตอนที่จะถูกเผาเนี่ยมาละไอกาดก็มาถามไอบรอฮิมว่าจะให้ฉันช่วยไหมไอบรอฮิมบอกว่าเจ้ากับฉันนี่เป็นมักลุกนะเป็นมักลุกด้วยกันนะเจ้ากับมักลุกฉันก็บมักลุกถ้ามักลุกด้วยกันฉันไม่เอาฉันเอาไรฉันเอาจากอัลลอฮ์อัลเละห์ฮาุนัลลอฮ์อานมัลวาคีนอ่าเพราะพระอายัดนี้มันสอดคล้องกันอายัดแรกนี่บอกว่า พวกเขาเนี่ยไม่ได้ใช้ตาไม่ได้ใช้หูนั่นแหละมันเป็นโรคโรคเมื่อเราไม่ได้ใช้ปัญญาเนี่ยมันก็จะเป็นมันก็จะพาไปสู่นู่นนี่นั่นและที่น่ากลัวที่สุดก็คือโรคชริกนี่แหละโรคชริกเนี่ยเป็นโรคของคนที่งโง่งงายความเขาที่สุดละไม่มีอะไรที่จะแสดงออกทั้งความงโง่งมของมนุษย์คนหนึ่งได้มากไปกว่า ก, า, การชริกอีกต่อไป การชีริกต่ออัลลอฮฺสุบะฮฺอัตะอัลาเนี่ยไม่มีอะไรที่สะท้อนให้เราเห็นภาพชัดมากไปกว่าการที่บุคคลคนนั้นงุมงา ย, ยางที่สุดววลียาบิลลาอฟบัลที่นักรูอันะถ้าขูอิบบ ا د มินดูนีอูลียาอินน์อัตเตดนาเจฮันน์มะลิลคาฟิรีนนุซุลาแท้จริงแล้วแท้จริงแล้วเราได้เตรียมนรกจันน้ำให้กับบรรดาคนที่ปฏิเสธศรัทธาเอาไว้เป็นที่พักสาหรับพวกเขาแล้ว ن و ว ن นท ه والعياذ بالله من ذلك ال و الله تعالى عالم وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته